เป็นประจำทุกปีที่จะมีการจัดอันดับสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการชี้วัดความก้าวหน้าและพัฒนาการของตัวเองในแต่ละปีอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เช่นกันที่มักจะมีการจัดอันดับความพร้อมไปสู่อนาคต ฟิจรีดิเนสของแบรนด์รถยนต์ต่างๆซึ่งอันดับหนึ่งในช่วง3าปีที่ผ่านมาตกเป็นของเทส l a อย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ล่าสุดบริษัทค่ายรถยนต์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Toyota กำลังเผชิญความท้าทายใหม่เมื่อการจัดอันดับทำให้ t o y ย t a ตกมาจากอันดับ2ในปีที่แล้วสู่อันดับ10หรือนี่จะเป็นสัญญาณบอกว่า Toyota ล่าหลังแล้วรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบของ To โยต้ในงานออโต้ซ่างไ่2023การจัดอันดับความพร้อมไปสู่อนาคต อาศัยเกณฑ์ในการชี้วัดหลากหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องความก้าวหน้าทางนวัตกรรมความหลากหลายทางธุรกิจรวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัทด้วยแต่อันดับของโตโยต้าที่ร่วงลงมาถึงที่10เป็นการตอกย้ำว่าโตโยต้าเบนเข็มไปสู่เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าช่ากว่าอเมริกาและจีน International i น s t i t u t e for Management Development หรือ IDM ระบุว่าการล่มสลายของโตโยต้าเกิดขึ้นในช่วงการมาของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การแข่งขันเรื่องพลังงานทั้งในด้านแบตเตอรี่และชิปจึงเกิดขึ้นปัจจุบันเทสลาครองอันดับสูงสุดติดต่อกันหลายปีต้านทานแรงกดดันจากคู่แข่งประเทศจีนและกวาดรายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทน้องใหม่ของจีนอย่าง b ีวกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขยับจากอันดับที่5ในปีที่แล้วสู่อันดับที่2ในปีนี้เนื่องจากความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่และชิปภายในบริษัททําให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงบริษัทจีนอื่นๆก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันไม่ว่าจะเป็น X อ็กเปิงขยับจากอันดับ12สู่อันดับ6หรือลี่ออโตก็ขยับขึ้นจากอันดับ14สู่อันดับ7เช่นเดียวกัน Toyota B3 รถยนต์ไฟฟ้าที่ t o โ o t a ร่วมพัฒนากับ b y d ทั้งนี้ t o โ o t a ภายใต้การนำของประธานบริษัทคนใหม่อย่างโคจิเซโตะโคจิซาโตะมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเจนใหม่ภายในปี2026และยังคงยืนยันว่าจะผลิตรถยนต์ไฮบริดและ FCEV อีกด้วยตามตลาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แม้ว่าภาพลักษณ์บริษัทของโตโยต้าจะยังคงแข็งแรงแต่แสดงให้เห็นว่าบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นให้ความสนใจเรื่องพลังงานใหม่ New Energy น้อยเกินไปเห็นได้จากอันดับของบริษัทรถญี่ปุ่นอื่นๆเช่นฮอนด้าก็อยู่ในอันดับที่14หรือนิสสันก็ยังตกไปอยู่อันดับที่20เลยทีเดียวซึ่งเราคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าค่ายรถเหล่านั้นจะขยับตัวไปในทิศทางไหนและเวลานั้นจะสายเกินไปหรือยัง ซีเอลซอยข่าวยานยนต์ออนวันที่22กุมภาพันธ์2023นิวมาสด้า MX5 โรสเตอร์เปิดประทุนกลับมาอีกครั้งเพิ่มสีน้ำตาลเซอร์คอนแซนอ้างอิงอ้างอิงที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคู่หู ด, ดูโอโตโยต้าจับมือพานาโซนิคร่วมพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเมษายนนี้เปิดตัวฮอนาซีวิ e H.E.V ราคาเริ่มต้น 1.15 ล้านบาทเทส la าปรับขึ้นราคา E.V ทุกรุ่นสูงสุดถึง 210,000 บาทฟิลิปปินส์ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน